3. นิสักคียกันจำนวนอาบัตในนิสักคีย์กันสิกขาบทที่หนึ่ง2องรอิภิกษุณีทำการสะสมบาตต้องอาบัตหนึ่งอย่างคือนิสักคียปาจิตตี